วันนี้เป็นวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2553พระของพวกเรา36ลงมาชั้น29พระไม่มาชั้น7ลูกวันนี้ท่านที่ไม่มาก็ท่านก็ภาวนาของท่านนี่จวนจะออกพรรษาอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นขอให้พวกฝ่ายพระสงฆ์ก็ ให้เตรียมพร้อมพอสมควรเกี่ยวกับวันปวนารณาก็ไม่เท่าไร่แต่ก็ต้องฝึกในการสวดควําปวารณาแล้วก็ส่วนกรถิ่นนั้นก็ให้เตรียมพร้อมได้หลายด้านทั้งด้านต่อรับขับสู้คู่คนที่มาเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายในครัวน่ะจะหนักหนาพอสมควรขอให้พวก ในครัววางแผนรับผู้คนพอสมควรเพราะปีนี้เหมือนปีที่แล้วในกะอคผู้คนก็เยอะปีนี้ก็คงจะไม่แพ้ปีที่แล้วเหมือนกันอาจจะมากกว่าแต่ก็ยังไม่แน่เพราะว่าวัดหลวงตาทอดกระถินวันที่สิบกระทั่สิท์ิานุสิทธิทั้งหลายทั้งอุดรทั้งต่างจังหวัด ใครรู้จักมักคุ้นที่ไหนก็คงจะไปที่นั่นคงจะไปทอดกระตินที่นั่นผู้ที่รู้จักมักคุ้นวัดของเราก็คงจะมาที่วัดของเราแต่ถึงยังไงก็คิดว่ามากเยอ่และวคู่คนเพราะนั้นก็ให้พวกทางในครัวก็ให้คิดคิดคิดไว้เหมือนกันนะจงฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้คิดคิดเหมือนกันอันนี้เรา เป็นเจ้าของของบ้านปฏิสันฐานคารวตาเคารพในปฏิสันฐานคือการต้อนรับผู้ที่มาทั้งหมดก็คือเขามีศรัทธาเป็นเขือญาติของเราเขาจึงตั้งใจมาถ้าเขาไม่นับถือไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาบางคนก็จะมีอาจจะมีอยู่บ้างมาดูดู มาดูดูแล้วก็ผ่านไปมาดูเ็ามีกิจกรรมอะไรก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากผู้ที่ตั้ง อ, อกตั้งใจมากไกลขนาดนี้ก็คงจะอยากจะมาร่วมทาบุญอยากจะมาร่วมกิจกรรมมาทาบุญกับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์ในวัดของเราอันนี้ก็คงจะมีเป็นส่วนมากที่มาดูเฉยๆก็คงจะมีอยู่บ้าง เพราะนานาจิตตังนาธานาน า, นานาทัศนะแต่ทีแรกก็คงจะมาดูซะก่อนแต่พอต่อไปแล้วก็คงจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นลักษณะอย่างนั้นจะปุบ ป, ปับให้เขามาเลื่อมใสศรัทธาเฉยเลยก็ไม่ได้นี่แหละตอนที่จะเขาที่จะมาเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยนะปลูกศรัทธาของคนนะให้เป็นทายาของพวกเรานะ จะปลูกยังไงถ้ามีแต่ความร้อนปลูกแต่กันมันก็ไหม้ต้นไม้มันก็ไม่เกิดเหมือนกันนะ่ะถ้าปลูกเย็นเกิดไปก็แฉต้นไม้ก็ตายเหมือนกันเพราะมันมันแฉน้ํามันท่วมอยู่ตลอดมันเย็นตลอดยังไงจึงจะพอดีไงนี่แหละความพอดีนั่นแหะถ้าพวกเราทุกคนทุกท่านทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสญาติโยมให้มีความพอดีในการ ดูแลในการต้อนรับขับสู้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าถ้าผู้ใดไม่มาสู่อาวาสถ้าท่านผู้ใดไม่มาสู่อาวาสของเราก็ขอให้มาถ้าว่าผู้ใดมาแล้วขอให้อยู่ให้กลับไปและก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขคะอันนี้คือท่านตั้งความไว้ในใจไม่ใช่ว่า เราจะเห็นคนแล้วก็นั่งหกนั่งออก็ไม่ใช่แต่ว่าคนที่มาเจตนาดีเราจะรับตอนรับขับสู้ทุกคนก็ไม่ใช่เราก็ต้องดูคนซะก่อนคนกลุ่มนี้เขามาเป็นยังไงคนบุคคลผู้นี้เขามาเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือสอนวิชารอบคอบพระเก่พวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันนะพวกเราเป็นกระวัิญาติโ ย, ยมต้องมีพี่มีน้อง มีพักมีพวกมีเพื่อน ม, มีเพื่อนมีฝูงการไปมาหาสู่เราจะปฏิเสธทุกอย่างก็ไม่ได้พราะเราเป็นอยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะคือบางครั้งเราก็จะต้องในพึ่งพาอาศัยหมู่พกเพื่อนเหมือนกันถ้าเขาเข้ามาด้วยเจตนาดีเราก็ต้องดูแต่เราไม่มีพักมีพวกจะเลยเวลาเรามีความจำเป็น เราจะหาพักหาพวกไปบาดหน้าไปให้เขาช่วยจะไปช่วยได้ยังไงเพราะตัวเองเป็นคนคับแคบถ้าตัวเองเป็นคนรู้จักมักเสลือเผื่อแผ่มนุษย์สัมพันธ์ดีรู้จักเขารู้จักเรารู้จักการต้อนรับขับสู้พอประมาณรู้จักคบผู้คนคบบัณฑิตและคบภารชนแยกให้ออกภาลชนคืออะไร คือคนชั่วกัญญาณมิตรคืออะไรคือคนดีนี่เราแยกแยกให้ออกกัญญาณมิตรและกับาละชนคนเรามันมีอยู่แต่บางคนก็เพียงแต่ไปมาหาสู้กันอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อมาผ่านกันไปตอนรับขับสู้ไปในวัดของเราคนมีตั้งเยอะแยะแต่ละวี่แต่ละวันที่เข้ามาหา ทุกคนเข้ามาหาหลวงพ่อจัดว่าเขาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาทีเดียวเราก็มองคนในแง่ดีจนเกินไปแต่ถ้าว่าคนเข้ามาหามาดูเราเฉยเฉยมาดูใค่อยๆมาจับผิดเราเราก็มองเขาเขาในแง่ร้ายจนเกินไปมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาเข้ามาเราก็ต้องดูต้อนรับขับสู้ปฏิสันทาน ให้ธรรมะโดยมากคนที่เขามาหาโดยมากเขามาหาธรรมมาสาะแสวงหาธรรมมาแล้วก็ต้องอยากจะเห็นทัศนศึกษาเขามาดูวัดวาศาสนาแล้วมาเห็นครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมในวัดเป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมอย่างไรสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่เขามาศึกษาไม่ใช่ว่าเขาจะมาดูถูกเดียดเดียดยามทีเดียวก็ไม่ใช่เขาเข้ามาจะเคารพนับถือเลื่อมใสทีเดียวก็ไม่ใช่เขาเข้ามาดูจากนั้นเมื่อเขาดูแล้วเขาเป็น้คนตัดสินใจของเขาเองถึงเขาจะรับนับถือเลื่อมใสขนาดไหนเป็นยังไงแต่บางคนก็เข้ามาก็มาเจอของที่ไม่ดีเข้าตัวทาให้เข็ดขยะดอย่างนั้นก็มี แต่แตาไม่จริงในคู่คนในคนคนหนึ่งก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีในร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน่ขนาดตาลูกเดียวเนะี่ยบางทีก็ทําให้คนรักชอบก็มีทําให้คนเกลียดก็มีขนาดตาลูกเดียวฮนะเพราะเหตุไรปากค้องเราก็เหมือนกันทําให้คนรักก็มีทําให้คนเกลียดก็มีเพราะนั้น เราต้องดูด้วยหลักเหตุผลเข้าไปหาที่ไหนเราต้องไปศึกษาไปดูเหตุดูผลไปดูไม่ใช่ว่าไปปลุก ป, ปับแล้วก็จะเกิดความเลื่อมใสศรทัทธาเอาเร็วๆไวๆเลยๆไม่ได้การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อกเหมือนกันการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์หลวงพ่ อ, อเหมือนกันดูลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกัน การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์โบราณเขาบอกว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะรู้ได้ว่าเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลต้องอยู่ด้วยกันนานแต่ไม่ใช่ว่าเห็นหน้าประเดียวประดาวแล้วก็จะยกยอปอปั้นกันขึ้นมาเลย ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันไปนานแต่บางคนก็โวกเวก ด, ดูดูแล้วก็ไม่น่าเห็นใหม่ๆก็ไม่น่าเขารบย้ำนับถือแต่พอเข้าไปสู่ใกล้ๆเข้าไปแล้วเออเป็นอากับกิริยาเป็นวาจาของท่านเฉยๆแต่น้ําจิตน้ําใจของท่านเต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาอย่างนี้ก็มีแต่บางคนเข้าไปแล้วก็หนิมหนิมดีทั้งหมดทุกอย่างแต่ไม่ยอม แบ่งปันให้แก่ใครขี้แตนีทีเนื้อเป็นสุดแล้วก็ชอบเอารัดเอาเปรียบหมู่พวกเพื่อนอีกต่างหากแก่มันมีได้ทั้งนั้นเพราะนั้นท่านจึงว่าจะรู้ว่าคนดีหรือไม่ดีต้องอยู่ด้วยกันนานนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือสอนวิชารอบคอบให้แก่คณะทายาทโยมพระเนนผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าควรจะมองคนยังไง มองคนในแง่ร้ายอย่างเดียวก็ไม่ถูกจะมองคนในแง่ดีอย่างเดียวก็ไม่ถูกแต่เมื่อเห็นกันแล้วก็สนทนาปารบต่อไปเราก็จะรู้ได้ว่าผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเนะี่ยต้องอาศัยการพูดการแสดงออกสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจจริงนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ในมวลมนุษย์โลกเนะี่ยต้องเป็นอย่างนี้ แต่ที่งยังไงแต่ส่วนลึกของการเป็นอยู่แต่ละคู่แต่ละคนนะ่ะอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นพวกเราต้องดูตนเองตรวจตราดูตนเองจะไปนัสถานที่ใดก็ตามอย่าไปไว้ใจคนอย่าไปรักชอบขนาดไหนก็เถอะมันไปด้วยกันไม่ได้ละอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างทิ้งทั้งหมด เขาทิ้งเราเราทิ้งเขาสมบัติพัฒสถานทิ้งทั้งหมดเพราะเหตุไรเห็นไหมนะ่ะปู่ย่าตายายของเราเขาก็ว่าเป็นของเขาเนี่ยแหละใครมาใกล้มามาดูถูกเหยียดหยามหรือมาอยู่ใกล้นั่นยโมโหโกธาเอาเป็นเอาตายจะฆ่ากันตายให้ได้แต่ผลที่สุดกันไม่เห็นเอาไปด้วยได้สักอย่างทิ้งทั้งหมด ผในสุดตัวเองตายเกิดไม่มีตัวเองเอาตัวเองเผาไปไม่ได้อีกต่างหากให้คนอื่นเอาไปเผาให้อีกพอเผาแล้วกระดูกก็ทิ้งไว้ในเมนในป่าช้าอีกมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดให้ไกลๆถ้าเราคิดไกลคิดรอบคอบแล้วสติปัญญาของเรารอบคอบแล้วการวางตัวจะกโกรธให้ใครก็ไม่กโกรธมากจะรักใครก็ไม่รักมากจนเกินไป จะเกลียดให้ใครก็ไม่เกลียดจุนผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาถ้าโกรธให้ใครก็ไม่ถึงกับไปฆ่าเขาได้เพราะเหตุไรว่าต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปถึงเขาจะโกรธก็ไปเลือกของเขาแต่เราก็ให้อาภัยและหลีกเราก็พยายามหลีกหลบปลีกหลีบภารชนถ้ารู้จักรู้จักว่าเขาเป็นเป็นภารชนเราก็ต้องพยายามหลีกเขาเนี่แหละใช้ปัญญา ถ้าคนที่ใช้ปัญญาอยู่ในโลกเนะี่ยมีแต่ความผาสุกนะั่นแหละแต่ถ้าว่ามีแต่กิลเลสเขาไปหากันเนะี่ยมีแต่ความเรอดร้อนวุ่นวายตอนน่อไปรับพรอนะุโมทนาให้พร